ของเราตรงแน่ตามหลักทำอยู่แล้วหรือตรงแน่ต่อทำอยู่แล้วการคึ่ปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นเรื่องกิเลสนั่นน่ะมนเข้าทำลายทาได้ง่ายทำของพวกเราไม่ใช่ทำแก่บกล้าไม่ใช่ทำพาพี่จะตต่อสู้กิเลสได้ตลอดไป สนมากกิเลสเข้ามาเราไม่รู้เราถือว่าเป็นธรรมเนียหรือเข้าใจ ว, าว่าถูกหรือเข้าใจาเป็นธรรมเสีกว่ากว่าจะรู้ว่าเป็นกิเลสมันหมดทางต่อสู้แล้วรับยาหัวหอมกระเทียมมันยื่นเข้ามาวาง ใ, ใกล้ๆแล้วท่ารู้ว่าโอ้นี่เรานี่มันขึ้นเขียงเมื่อไหร่นี่นะ นี่แล้วมันสายไปแล้วนะนขนาดที่เขาหอมมะกอกเทียมมาไว้ตรงหน้าแล้วก็แสดงว่านี่เขากาลังจะขยาเข้ากันเท่านั้นจะให้เป็นลาบเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นกัวเป็นผัดเป็นอะไรแกงเป็นอะไรก็มันก็พร้อมแล้วทีนี้มันสับจะไปยังไงมันสายจะแล้ว กิเลสนี้เป็นสิ่งละเอียดมากแทรกมาในเรื่องที่เราเข้าใจว่าธรรมนะไรโดยเหตุ น, นี้จึงได้พยายาม เ, มเข้มงวดกดกันกับหมู่เพื่อนเสมอเพื่อไม่ให้เสียเลี่ยมแห่งจิเลสที่จะแฝงมาในธรรมโดยไม่รู้จุกตัวยกตัวอย่างเช่น เรากำลังพุทธปฏิบัติธรรมด้วยความสนอกสนใจมีผู้มานิมนไปในงานในไปในงานนี้เบื้องต้นก็ไม่อยากไปเพราะเรื่องความมุ่งมั่นในธรรมมีกําลังมากความสนใจในธรรมกับการสนใจปฏิบัติเพ <Rem ind S 1> <y> ื่อความรู้จริงเห็นจิงในธรรมก็มีกําลังมากมีท่านเมื่อโดนเข้าหลายครั้งหลายหน มีคำว่ากิเลสแฝงมาด้วยธรรมก็คือเขามานี้มูลนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับหลักธรรมหลักวินัยการผสมเคราะห์โลกเขายึมประชันในบ้านในครั้งพุทธการก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธการก็มีถ้าหากว่าจะแตกต่างกันก็เรื่ อ, อัตติเดกาลาถ้าแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตรงนี้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 แ้วงานงานงานี่เป็นร้อยๆขึ้นไปตาก็ลุกวาวทีนี้ความสนใจชักจะเริ่มขุ้นแล้วนี่พราะกิเลสเข้ากระสิบความโลภเ ข, าเขา้าเข้าแทรกนะชักอยากไปแล้วทีนี้นั่นหลยนี่หละที่ว่าเรื่องของกิเลสมันแทรกทร ม, มาคือการนิมมนก็ก็เป็นธรรมการไปฉันบ้านเขา เพื่อสงฆ์เขาเขาก็เป็นธรรมการถวายมาก็เป็นธรรมต้นัำเขาเรารับมาที่แรกก็ดูเป็นธรรมท่านต่อมาก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเป็นเรื่องของกิเลสไปเมื่อมันเขา้ากิเลสเมื่อมันเข้าแทรกในความอยากแล้วความอยากก็กำเริบความโลภ ก, ก็กำเริบขึ้นมาทีนี้อะไรๆที่เป็นบริษัทบริบาลของของามโลกนี้มันก็กำเริบขึ้นมาแตกขแขนงกันออกไปเรื่อยๆ แต่ไปหลายด้านหลายทางทําให้คิดกว้างของไปในทางที่จะทําลายตัวเองมีมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่ไเรื่องอะไรอืนับแต่เงินแต่ทองอยู่เนั้นเอจะว่าอืมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเราจรึงพยา ย, ยามงหมอ แ, แต่ไม่ค่อยได้พูดให้เพื่อนฝูงฟังฟังเรืนี้ถึงได้พูดให้ฟัง เพราะความมุ่งมั่นของเราจริงๆไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งนี้เป็นผลที่จะพึงดีไปด้วยในเมื่อเวลาเราห้ามหรือเราไม่รับการนิมนั่งจากที่ไหนที่เขามาในมึงพระว่าวต่ำมันตาไปฉนันเราไม่ยอมให้หากจำเป็นจริงๆเราก็เห็นใจเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่ต้องคำว่าจำไป มีเหตุมีผลพร้อมแล้วอจําเป็นต้องไปโลกกับธรรมแยกกันแมกออกิ้งท่าที่จะสมครอกก็สมครอกแต่ว่าจะมายุ่งกันอยู่ตลอดเวลานี้โลกเอารับเอาเปรียบทำเพลินไปเราก็จะเสียเปรียบทีหลังไปเรื่อยเราจรึงไม่อ ย, าายอมให้แต่ว่าหลังแต่บรรดาพระในวัดนี่เลยแม้แต่มานมนเราอย่างนี้เราก็ยังไม่ไปมีเพื่อรักษาให้พระได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบาย ตามเจตนาที่มาจากทิศต่างๆมาทั้งใกล้ทั้งไกลไม่มีใครที่จะมุ่งมาหาเงินหาทองอธิเดกาล่าล่ามวยอะไรมุ่งตั้งแต่อัดแต่ทำถ้าคิดก็คิดเรื่องอัดเรื่องทำนับกนบันนับฉีนับถังไม่เนรประหานับอัตเรกาล่าความนับรวยนับเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเป็นสิ่งสังหา ร, รเราโดยตรงโลกเขานั้นมีความสง่างาม ผู้มีสมบัติมงินทองแต่ทําแล้วเฉพาะทําแล้วพระเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเสื่อมการทําลายตัวเองทำลาย จ, นในใ จ, จติตใจของตนลงไปดูลำดับลำดับจนหาคำหมายไม่ได้ในตัวเองทั้งทั้งที่ตัวเองนั้นยิ่งว่ามีสมบัติมากเพราะกิจมันเป็นโรคแล้วมันก็หยิ่งไปต่างโลกแต่เรื่องธรรมไม่มีอะไรจะเหลือตุอยู่ในภายในนี่แหละที่วัน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 เป็นอาหารของมันไปทั้งสิ้นนี่ก่เลสที่มันแฝงมาในธรรมที่แรกมันก็เป็นเหมือนต้นไทรหรือเหมือนกาฝากหรือเวลามันมีมากขึ้นมากคือเราสังเกตดูก็รู้ต้นไม้ต้นไหนที่มีกาฝากมากๆจะไม่มีเหลือเลยกลิ่งนั้นกิ่งนี้ตายเข้ามาตายเข้ามาหดเข้ามาหัวมาสุดท้ายก็ตายหมดทั้งต้นทั้งมันเพราะกาฝากกินหมดดูดเอาเนื้อเอาหนังของ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 จิตใจเลยกลายเป็นโลกในหมดเจตนาตั้งเดิมที่มุ่งมาเพื่อเพื่อทําซึ่งเห็นมาเป็นของประเสริฐได้กลายเป็นของเหลวไปแล้วในความรู้สึกตัวเองแล้วกลับเห็นสิ่งที่ ท, ทําทั้งหลายตําหนิว่าเป็นของดีขึ้นมามีค่าขึ้นมามถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางเรื่องของค่า<ม><ม>จะมีธรรมติดจิตใจนั้นเป็นไประยากมากดีไม่ดีไม่มีเลยให้พากันน้อมมัติวาให้ดี นี่ด้วยเ ห, เหตุผลอย่างนี้เองประการหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยหน้าจากลําให่คือเพื่อสงเคราะห์หมู่เพื่อนให้ได้รับความสะดวกสบายในการพิถีพิถันสมคำว่าผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไว้ได้เหตุได้ผลจริงๆการแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สั่งสอน เ, เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่กาลังความสามารถโดยเหตุผลการรักษามหมู่เพื่อนในทางใดที่จะให้เป็นความสะดวกสบายไม่ให้ใครมารบกวน ก็เป็นเรื่องของผมรักษาหมู่เพื่อนเองเองเขามันขอพระไปอยู่ชั้นักนั่นชั้นั่งนี้ผมไม่เคยสนใจเลยถ้าวันนี้ท่านมาในมุมจะไปหาตั้งสั้นักที่นั่นสั่งสอนใายต่อใารท่านมุ่งมาเพื่อจะอบรมสั่งสอนตนเองโดยอาศัยครูอาจารย์แม่อวัดการแนะนําสั่งสอนท่านยังไม่สนใจที่จะไปตั้งหลักตั้งฐานสร้างวัดนั้นวัดนี้ขึ้นวัดนั้นวัดนี้ขึ้นเราจึงไม่อาจที่จะ แยกท่านไปสั่งให้ท่านไปในสถ า, านที่ใดเพราะท่านมาตามพิยาศัยมามุ่งอัดมุ่งทำเราจะขับไล่สายสงให้ท่านไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นความขัดต่อพิยาศัยซึ่งเป็นความผิดธรรมเราทําไม่ได้เนี่ยเราหาเราก็พูดอย่างนี้เถอะแล้วเราไม่เราไม่ ไ, มไปแตะพระสงฆ์อยู่ในวัดนี้พูดกับเขาให้เป็นที่เรียบร้อยอไปเดีถยะแล้วเข้าไปมีเยอะนะที่เขามาขอว่าขอพระจากหลัดนี้นี่คือ อุบาการรักษาเพื่อนให้อยู่สะดวกสบายมีมากมีน้อยเราบินถบาดมานั่นพอเป็นพอไปแล้วสําหรับ ผ, ผู้มุ่งทําในใจแล้วย่อมไม่เห็นแก่ลิ่นแก่ปากลิ้นก็ดีปกากก็ดีท้องก็ดีไม่มีอานาจเหนือธรรมไม่แทรกแซงธรรมกรได้สําหรับผู้มุ่งทำถ้าผู้มุ่งโลกมุ่งสงฐานแล้วมีงแต่เรื่องแทรกมีแต่เรื่องแซงธรรมทั้งนั้นเรื่องเหยียบย่ําทำลายธรรมนั้นนั่นคือผู้ชิ่ผาย ผิดกันที่ตรงนี้นี่เราไม่ใช่พูดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาหารการบริโภคมีมากมีน้อยจึงพอดีทั้งนั้นดีหมดพอดีทั้งนั้นไม่ว่าขาดเกินไม่ว่าบกพร่องพอเป็นพอไปทั้งนั้นเพราะพอยังเยียวยาบภาพาสเต็จไปเพื่ออดเพื่อทําเพื่อการบำเพ็ญของเราใ น, นรับความสะดวกสบายเพียงเท่านี้เราสะดวกสบายแล้วเอาในวัดนี้มีอะไรใครต้องการอะไรเอาได้เลยอืม่ม มีอะไรเลี้ยงกันหมดทั้งวัดเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันหมุอลูกพ่อแม่แม่เดียวกันเราต่างองค์ต่างเป็นศาสตร์พะยาบุตรด้วยกันไม่ว่าจะชาติชั้นวรรณะใดเข้ามาสู่นี้เป็นลูกศิษถาพจนเป็นคนขอทานประเภทเดียวกันคนขอทานประเภทเดียวกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่รักกันใครจะรักกันได้ในโลกนี้ถ้าลงพระหาความรักความสงสารความเห็นอกเห็นใจกันไม่ได้แล้วโลกนี้จะไม่มีทำเหลืออยู่เลย ธาตพระไม่สังสมทําแบบนี้ให้เด่นขึ้นในตนสมกับความเป็นพระซึ่งออกมาจากลูกตาาคตผู้ทรงพระเมตตาอย่างยอดเยี่ยมกับโลกทั้งหลายนี่ความไม่เหตุผลใจกันก็คือพระนั่นเองความให้อภัยกันก็คือพระความไม่ถือกันก็คือพระความเมตตาสงสารกันก็คือพระทุกสิ่งทุกอย่างอันที่เป็นธรรมแล้วคือพระคือพระทั้งนั้นเราอยู่ด้วยกันแบบ คือพระคือพระนี้จะหาความยุ่งเยิงวุ่นวายทะเลาะบาะแว้งกันได้ที่ไหนเพราะต่างคนก็มุ่งเจตนาอันเดียวกันเป็นธรรมทำต่อทมำมีจํานวนมากเท่าไหร่บวกกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นมหาสมบัติอันใหญ่โตเพราะนั่นก็ดีองค์นี้ก็ดีองไหนก็ ด, กดีหนึ่งดีมาบวกหนึ่งดีเข้าก็เป็น2ดีบวก3มดี4ดีเขา้าจํานวนมากขึ้นมากขึ้ต น, น, นั้นก็ยิงนี่ไปอีทั้งวัดดีด้วยกันทั้งนั้นก็มีแต่ของดีเต็มวัดนี่ สมมติว่าอย่างตรงข้ามอาอุ้งนี้ก็เร็วหนึ่งแล้วนะสองไปบวกเป็นคนเร็วยกันสองแล้วสามเข้าไปสีเข้าไปเร็วต่อเร็วมากมากทั้งวัดมีแต่พระเร็วเหลวไหลเลอะเทอะแล้วเราจะหาผลมหาประโยชน์หวังผลงประโยชน์จากอะไรถ้าจากความเลอะเทอะเหล่านี้ได้แล้วโลกนี้มันมีความเลอะเทอะมาตั้งแต่ไหนมันก็เกิดไปนานแล้วความสิ ง, งสงกปตกโสมม ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทําโลกให้เจริญติดเปื้อนอยู่ในเสื้อผ้าของผู้ใดเขต้องในซักให้ล้างออกนี่เรื่องพิเรศเรื่ความโสมมมมันติดอยู่ในจิตในใจติดอยู่ในมา ร, มรยาทกายวาจาของผู้ใดต้องชาระสะสางออกโดยลําดับลาดับจะนอนใจไม่ได้เพราะเราตั้งการของดีเราไม่ต้องการของเร็วนั้นเร็วนี้เร็วอย่างที่ว่ามั้งนี่นี่แหละความอยู่ผาสุก ข, ของพระที่อยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากไม่สําคัญ ชาติชั้นวันณะใดไม่สําคัญสําคัญที่ความเป็นพระทราบแล้วทุกองเป็นลูกศิษย์พระถาสดเป็นศาสตรยบุตรมีความจงรักภักดีต่อกันมีความเป็นธรรมเหมือนกันมุ่ง ม, มั่นต่อธรรมด้วยกันจิตใจเป็นธรรมด้วยกันดูด่วยกันได้ด้วยความถาสุด ม, มีคิดเนี่ยใดๆซึ่ง เ, เรื่องเป็นเรื่องของโลกผีดถือกันต้งสูงต่าๆเอาเข้ามายุ่ง ในวงศาสนาพาธนัรรทไม่ได้ถราทาเป็นสิ่งที่ให้ความเสมอภาคนี่เป็นหลักสาคัญพากันตั้งใจไปปฏิบัติให้ดีอย่าลดนักความเพียรเป็นของสาคัญไม่มีทรัพย์ใดประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์ซึ่งเรากำลังสออแส ห, หายอยู่แหวนี้ทรัพย์นี้แหละคือทรัพย์ที่ให้เกิดความตื้นใจจริงจริง ไม่มีความเดือดร้อนแฝงเข้ามาไม่มีแบบว่ามีสันแล้วมีคมแฝงเข้ามามเหมือนแบบนี้อ<ม>เย็นแล้วน้อยก็เย็นได้น้อยตามกําลังมีมากเย็นมากตามกำลัง<อ>มีเต็มที่ก็เย็นเต็มที่ได้จะทํารมนี่เนี่ยอริยสัพพนิพพ์เป็นเครื่องประดับจิตใจ ส่งเสริม จ, จิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมลงพยายามชะล้างสิ่งที่ก ป, ปกปบรบกุมลังอยู่ภายในจิตใจเฮ้หมดไปหมดไปด้วยความภาคเพี้ยนของตน อ, อย่าได้เห็นความภาคเพียนว่าเป็นสิ่งไม่ควรทําหรือ ว, ว่าเป็นฆ่าสุดต่อตนเห็นความขี้เกียจอ่อนแอเห็นตามกิเลสตัณหาอัตวะบงการในทางใดแล้วก็เห็นชอบในทางนั้นตา นั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้เราผู้บวชมศาศาสนามุ่งอริยศรัพย์อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสังสมอริยศรัพย์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะมีความสุขความจริงใ จ, ใจนี่คือทรัพย์ทรัพย์อันประสริทแท้กับคือใจ น, นี่พยายามซักฟอกล้างออก โดยลำดับลำ ด, ดับอย่าลดละท้อถอยใจจะเริ่มแม้จะมันจะคึกขนองยิ่งกว่าม้าก็เถะถ้าลงได้ฝึกได้ทรมานกันไม่หยุดไม่ถอยแล้วมันต้องยอมจำนวนวันหนึ่งจนได้ไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมและไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือธรรมไปได้ผู้นำกิเลสนำธรรมเข้ามาปราบที่ดสก็คือเรา ทมเป็นความถูกต้องดีงามอยู่แล้วการปราบกิเลสด้วยธรรมก็คือด้วยความภาคเพียรของเราอาศัยทมเป็นเครื่องเครื่องมือมีสตาวิยะหรือสติปัญญาเป็นทุ่คขันหรืออธิบาทสี่ฉันทะให้พอใจในความเพียรเพื่อหลุดพ้น จากทุกข์โดยดำดํดำหนักลำหนัวิริยะเพียนไม่ถอยพระพุทธเจ้าได้แต่สรู้เพราะความเพียนเพราะฉันทะเพราะจิตตะความฝักใฝ่รักชอบในความหลุดพ้นยิมังษากระเสริฐด้วยพระปัญญาตีชาเฉลียวฉลาดสามารถิอธิบาต ท, ทั้งสี่เป็นเครื่องมือสำหรับ แก้ยิ่งเด็ดด้วยเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยอยู่ด้วยกันวิริยะมีเป็นเครื่องสนับสนุนคือเพียนพยายามเพียนด้วยอะไรเพียนด้วยสติปัญญาฟาดลงไปแก้ยิ่งเด็ดมีความรักรักในความเพียนสนใจในความเพียนแล้วจิตมันจะคึกขนองขนาดไหนต้องหมอบราบลงมันหนึ่งจนได้ไม่สงสัย พอทำนี้เคยปราบกิเลสมานับไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำเป็นเครื่องปราบกิเลสโดยถ่ายเยวเท่านั้นไม่มีทำที่จะส่งเสริมกิเลส mm hmm. แล้วในะขณะเดียวกันกิเลสกับทำเป็นข้าสุกกันให้พึงทราบเสมอเมื่ออาการใดแสดงขึ้นมาเป็นทางกิเลสให้พึงทราบว่า น, นั้นคือข้าสึกเกิดขึ้นในหัวใจเราแล้วให้รีบว่าอาวุธคือธรรมเข้ามาต่อสู้ทันที มันจะแสดงความโลภ ค, ความก ค, ความหลงก็ตามแสดงราคตาต่างๆขึ้นมาภายในใจก็ตามสิ่งอันนี้ล้วนแหน่ตั้งแต่เป็นภผ่ที่จะมาทําลายใจิตใจของเราผู้ประมาทผู้ไม่มีข้อติอย่างไม่โดยไม่สงสัยมากกว่านั้นก็ทิบยหายไปได้จริงๆเพราะสิ่งทำลายเหล่านี้นี้เราไม่ได้มาทําลายตนเรามาเพื่อสังสม เ, เพื่อส่งเสริมต น, ตนเองด้วยความภาคภูมิเพื่อให้จิตมีความสงบตั้งเย็น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 สิมานันมาเป็นชนะเมื่อพุทธังท่านังกระถามนี้ว่าเป็นชนะของเราแล้วท่านสอนว่าอย่างไรท่านเพียนอย่างไรเราต้องยึดอันนี้เป็นหลักใจด้วยยึดท่านเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายยึดธรรมเป็นแนวทางเดินด้วยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับไม่ต้องสงสัยสังโคท่านดำเนินอย่างไรถ้าสงสารวกท่านดำเนินอย่างไรเราเห็นแล้วในตำรับตำลาท่านเขียนไว้ทําไม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 คือล้าตอกิเลสนั่นเองไม่นํำทำเข้ามากราบตามประหารประหารกิเลสก็เป็นคนล้าสมัยทำไม่ได้ลสมัยเหมือนมีดเล่มนี้เริ่ปืนก็บอกนี้ยิงอ้าวฝ้าตงตายช้างก็ตายอย่ามาแตะคนเยถ้าจับขึ้นมายิงถ้าไม่จับขึ้นมายิงช้ามาหยียบหัวคนให้แหลกก็แหลกได้ปืนก็ทิ้งอย่างนันแหลสติปัญญาเมื่อนำมาใชา้แล้วมันก็เป็นเหมือนปืนที่ทิ้งไว้เงี้ยเครื่องือหรืออาวุธทิ้งไว้ ตอให้ยีเดียบย่ยํายี๊ยจนแหลกแตกกระจายไม่มีเศษนี้ เ, เหลือเป็นอัดเป็นธรรมอยู่บ้างเลย็นทั้งคนมีเต็มตัวขี้เตตัวขี้โลยขี้โกรขี้หลงขี้ค้างออนแอไปขี้ไปหมดเต็มตัวหาธรรมจะแทรกลงไม่ได้เนี่ยแล้ววิเศษที่ไหนคนทั้งคนเป็นยัง้งเราต้องคิดนักปฏิบัติต้องเป็นนักคิดนักคนขว้าไม่ใช่นักนั่งหรือเฉยๆแบบหลับตาแล้วเหมือนคนตาย ตานี้หลับยิงแต่จิตไม่หลับถ้าจะพิจารณาทางให้เป็นความสงบก็มีสติจดจ่ อ, จอต่อเนื่องกันเป็นลําดับลาดาบในหน้าที่การงานทังตนที่ทําเพื่อความสงบแล้วใจมันจะวิเศษวิโส ก, กระโดโ ด, โ ด, โดโลดเต้นเหนือธรรมไปไหน <c oughs> คําว่าใจหมายถึ ง, งว่าใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือธรรมคือสติความพยายามของเราด้วยสติไปไม่ได้อยู่ สงบลงจนได้พูดถึงเรื่องความสงบให้เห็นซัตว์ีจิตเราทั้งตะวันเกิดมาที่เราไม่ได้เคยภาวานานั้นไม่เคยเห็นความสงบเลยแล้วคำว่าธันวาสมาธิสมาธิหรือสันติสันติคือความสงบมันมีแต่ชื่อเราไม่ได้ตัวสงบมาเป็นสมบัติครองใจนี่เลย สมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อของสมาธิเต็มในตําหนักตาลาตัวของเรามันฟุ้งจ ะ, ะตายยิ่งก่อลูกฟุตบอล ป, ลอปลิ้งนุ่นปิ้งนี่คิดเหนือทิ่ใต้ปิ้งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวเพราะไม่มีเครื่องหักห้าไม่มีเครื่องบังคับเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องบังคับฟาดไปลงไปด้วยสติด้วยความพยายามของเรา <S <S ต้องเห็นความสงบแน่นอนวันโดยไม่ต้องสงสัยหลังนั้นก็ปัญญาที่ เพราะได้โอกาสที่จะพิจารณาท่านว่ารูปังอันนี้จัง<ม>เวทนาสัญญาสังขาราวิญญาณังอันิีจังรูปังตลอดวิญญาณังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ไหนนี่ท่านทํำไมท่านรู้ทิ้งลรงนี้ท่านม่าเต็มไปด้วยใจรักคืออะไรเราจะถือออะไรเป็นสาระถืออะไรเป็นเราเป็นของเราทําไมจึงยึดถือ ท, ทั้งที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแฝนคออยู่ตลอดเวลา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 จนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนภายในมันมีที่น่าคิดที่ตรงไหนมันมีตั้งแต่อนิจจังทุกขังนาตาเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังปรชาช้าผีดิบปรชาช้าผีสดก็อยู่ภายในท้องของเรานี่ในตัวของเราอีกด้วยรวมหมดทั้งตัวเราหมดทั้งในท้องมีตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังาตามีตั้งเรื่องอสุภะอสุพังเป็นป่าช้าผีดิบทั้งกลางวันกลางถืนเราทํำไมไม่ดูปา่าช้าล่ะนี่คือปัญญาค้นลงไปให้เห็นใช่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นี่ แล้วก็ทรงรู้ด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยจึงได้นําวิธีการที่ทรงบําเพ็ญถูกต้องแล้วอย่างไรและผลที่ทรงได้รับแล้วอย่างไรแก่บรรดาสัตว์โลกเพืขึ้นไปฏิบัติต่างนี่เราเป็นแนวหน้าแล้วเเราเป็นนักบวชเป็นนักหลอกไม่ใช่เป็นนั ก, ลกหลบหลบนั่นเหล็กนี่เราไม่ใช่นักหลบจากนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเป็นนักหลบนักหลับนั่งคอหน้าค้อยจ ะ, จะหลับ ใช่ไหมล่ะให้กิงให้จังตั้งใจพุตธปฏิบัติแล้วปัญญาจะเกิดถ้าภาคิดแล้วปัญญาต้องเกิดไม่ภาคิดจนกระทั่งวันตายก็ไม่เกิดเอาจะสมาธิดีขนาดไหนก็ดีอยู่นแค่นั้น เ, เป็นสมาธิอย่างนั้นจะเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ท่านสอนว่าสมาธิปวิภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมาให้สร้างชาปัญญาที่ศินอยู่ลมแล้วก็มีผลมากเมื่อก็มากคือเราคิดไปเรื่องศีน ศีลเราก็ไม่จะดังเพราะถลุที่ไหนดีแล้วไม่เป็นกังวลไม่เป็นนิวรันกับสิ่งนั้นตั้งหน้าต่งตางๆปฏิบัติจิตใจเพว่ความสงบได้โดยความสะดวกสบายหายกังวลกับเรื่องศีลนะเมื่อไม่มีความกังวลในเรื่องศีลว่าดางาังเพราะถลุต่างๆแล้วเราก็หมดความกังวลตั้งหน้าต่งตางๆทําจิตให้เกิดความสงบเนี่ยสมาธิปริภาวิตาปัญญามหับพลาโหติมหานิช้งางซาเนี่ยปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากมีสลมากนะคือจิต เมื่อมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวย่อมสงบย่อมสบายไม่สายแสไม่หิวโหยพวาโนนควานีควารูปควาเสียงควาลิ่นพวารถ์ควาธรรมารมณ์ต่างๆเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาผลนจิตใจจิตที่มีความสงบย่อมไม่ขวา นี่ละเมื่อจิตมีความสงบแล้วพาทํางานที่นี่มันก็ได้การได้งานพิจารณาอะไรก็เป็นอ น, นั้นขึ้นมามันไม่ทะเลทลายไม่หิวไม่หงฉลบับแต่ทั้งนั้นฉลบับแต่ทั้งนี้ทะเลทลายแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เหมือนจิตที่หิวหงุดปูนกวาไท่านจึงสอนให้มีสมาธิให้มีความสงบเย็นใจแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเขาเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลําดับตําับเป็นปัญญาขึ้นมามากเท่าไหถึงการที่จบภาสมาธิก็สร้าง ฐานสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆสมาธิก็แน่นขึ้นโดยลำดับปัญญาก็เฉลียวฉลาดไปโดยลำดับกว้างขวางไปโดยลํำดับเที่ยวชาญไปโดยลำดับสมาธิก็ไปพร้อมๆกันปัญญาไปพร้อมๆกันนี่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโขติภาพมีสัมมาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลสูมากน่ว่ามันท่าไม่ได้บอกว่าปัญญานั้นเกิดเพราะมีสมาธินะปัญญาเกิดเพราะความคิดค้นต่าง ไม่ใช่มีสมาธิและปัญญาจะเกิดเหมือนกับเครื่องทําครัวหรือท้าวผสมภาราที่จะมาปลูกบ้านเ <c oughs> มื่อขนท้าวผสมภารามาแล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรแกการสร้างบ้านหลังนี้ได้อย่างเต็มพรมและ <c oughs> เอาอมาที่มือเฉ๋อมันก็เป็นไม้เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นหินเป็นซานนั่นแหละมันไม่ได้เป็นบ้านให้แต่เครื่องมือมันพร้อมแล้วถ้าเราไม่ทํามันจะเมื่อมีเครื่องมือพร้อมแล้วมันจะเป็นบ้านขึ้นมาทีเดียวมันเป็นได้ไหมมันไม่เป็น นี่สมาธิก็เหมือนกันจะสงบขนาดไหนมันก็เป็นสมาธิสงบอยงั้นเหมือนเอาไม้มากรองไว้อย่างงั้นเหมือนเอาเครื่องครัวเครื่องทําครัวมากรองไว้งนั้นอ่ะอันนั้นเป็นผักอันนี้เป็นหญ้าอันนั้นเป็นหัวหอมอันนี้เป็นกระเคียมอันนั้นเป็นพริกออันนี้เป็นเนื้ออันนั้นเป็นตามันก็เป็นพวกมันอยู่งั้นแหละมันแต่มันไม่เป็นแกงเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาผสมกันเมื่อมันพร้อมแล้วเอามาผสมทําเป็นแกงก็เป็นแกงขึ้นมาทําเป็นอาหารชนิดใดก็เป็นขึ้นมาเพราะเครื่องทาครัวมันพร้อมแล้ว นี่สมาธิก็ตล่อมตัวเข้ามาแล้วจิดตล่อมตัวเข้ามาตาจะจากความนี้โหยพอมีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเอาค้นลงไปพิจารณาไปเหมือนกับว่าเราปรุงอาหารนาะทีนะแล้วเกิดความลูกชนเนนนช น, นเนี้ยขึ้นมาชนิดนี้ขึ้นมาแล้วกิเลสซึ่งไม่เคยขาดรอยออกไปจากจิตใจเพราะอํนนานาจของสมาธิใดๆเลยก็เห็นความขาดลอยออกไปจากอํนนานาจของปัญญาโดยลําดับดๆนั่นและทําให้จิตเพลินจิก็เพลินเรือ่อยเรือเร่อย ถึงเวลาเหนื่อยเมื่อไรพานา จ, จิตใจเพราะการทํางานแม้แต่การคิดการพิพจนารณา this เป็นงานของจิตแล้วเราก็พักสมาธิเสียให้มีความสงบเย็นไม่ต้องไปเป็นกังวลกับงานของเราที่เคยพิจารณาเคยทํานั้นในขณะที่พักต่อยกังวลทั้งหมดไม่ไปยุ่งในขณะที่ทําสมาธิเอาลงในสมาธิอย่างเดียวพอออกจากสมาธิแนละ้วเวลาทํางานไม่ห่วงสมาธิใน ทำงานต่างวาระกันให้จริงทุกงานงานสมาธิก็ให้จริงในขณะที่จะทําให้เป็นสมาธิให้ความสงบทําให้จริงจังให้เป็นความสงบเวลาจะออกพิจารณาทางด้านตัณย์อภินิหารลงไปงเรื่องธาตุขันตีให้แตกให้ละเอียดเหมือนเขาคลาดนานั่นมูลคลาดมูลไถยแหลกเป็นสําคัญไอสัตว์หรือการคลาดนั้นจะสัตวานาจะเร็วรลุชา่าไม่สําคัญสําคัญที่การคลาด น, นั้นให้แหลกละเอียดพวนแก่การปักด่างเขาถึงจุดอันนี้ก็ปัญญาพิจารณากันไปให้ละเอียดละ อ, อจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนใดแล้วปล่อยวางไปโดยลําดับลำดับเหมือนกับว่าการคาดนาอเอาแล้วใต้ที่แล้วปล่อย อ, อ๋อที่ปีนาที่เรื่องอสุภาษณ์อุพัน์มันเต็มในตัวงเ ร, ราราคะตัณหาเกิดขึ้นเพราะความสุภาษคือความสวดตอ ง, งามมันสําคัญมันมาตัณหามันนานที่ไหน เราธรรมชาติแท้แมันไม่ได้งานเราเสกสรรเอาเนี่ยพิเรนมันพามันเสร็จพาเสร็จแล้วก็เคลิมตามพิเรนร้ยอยตามพิเรนหลงตามพิเรนพิเลนแล้วอย่างว่าเนี่ยผลเป็นยังไงมันก็เป็นไฟขึ้นมาภายในจิตใจทีนี้แก้ลงไปให้ถึงฐานเดิมเข้ามันจังใจเริ่มจังแต่จสุภาสุพังสุขังอิจังอัตตาลงไปตจนสภาพเป็นท่าหลายครั้งหลายผลจนเป็นที่เข้าใจและปล่อยวางได้ นี่เรียปัญญานี่เรียสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหถิมหานช่างซาปัญญาปริภายตังจิตตังสั่มมาเดวะอเวหิมุจติน่ะที่นี่นะจิตที่ปัญญาบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่อะไรไปทําจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบถ้าไม่ใช่ปัญญานั่นนี่หนุนกันไปไปลำดับๆตั้งแต่ศีลปริพาวิ นิโตสมาธิมหาโลโโหติมหันช่างซามหันชังโซ่สมาธิปริภัยตาปัญญาหาพลาโหติมหันช่างซาปัญญาปริภัยต่างจิตตังสัำมาเดวะสยนิมุจตินั่นเป็นหนุนดำเไปโดยดำนำนำหนักพอถึงมีุจติแล้วมันก็หมดล่างจิตตางปริภัยจสมาธิปริภัยต่างจิตต่างซ้ำมาเดวะสยนิมุจติจิตเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วยอมดุพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ ให้จําให้ดีนี่และหลักความจริงหลักความถูกต้องทางดําเนินอยู่ตรงนี้อยาละอย่าปล่อยตรงนี้ยาเห็นว่าสิ่งใดดีผู้ใดดีเหนือธรรมล่านี้ไปนี่และธรรมของศาสดาพระศาสนาภาษาพวกท่านเดินตรงนี้ท่านรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้จึงสอนว่าอย่างนี้ให้ยึดให้ดีอย่าให้เละเละหลอนหลอนทะเลทลายใครว่าแล้วก็เชื่อไงหมดเขาว่าเราเชื่อไหมดดีไม่ดี ไอ้ตาบอดหูหนวกมันมาบอกว่าเมฮ้ยเวลานี้มาผลนิพพานหมดแล้วคือว่าคนตาบอดมาพูดเชื่อง่ายๆคนตาดีสอนมันไม่เชื่อมันถึงโดนเอา โ, อโดนาเานี่เราจะเชื่อคนตาบอดหรือเชื่อคนตาดีเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดจอมปราดกับคนโง่มืดแบบคิศตบบด้านอันไหนมันสําคัญกว่ากันนี่เราโง่เราต้องหาผลฉลาดแล้วใครเป็นจอมปราดพูดทางธรรมะท่านั ง, นางกะาะฉามีคืออะไรนั่น คําสอนไปแล้วทางเดินไปสดสดร้อนๆอนก็คือเรื่องสีเรื่งสมาธิปัญญาอย่นะในภาคถองพิจารณาเอาให้จริงให้จังยาลดละปัญญาพิจารณาให้ดียาอยู่เฉยสมาธิคือความสงบใจเมื่อสงบข้อมากมันขี้เกียจนะไอ้อะมีอะไรสัมผัสสัมผัสมันรู้สึกไม่สมาเข้าสู่สมาธิเย็นเฉยไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งกวนหรือยากอยู่านั้นนี่คือสมาธิขี้เกียจติดสมาธิแล้วเป็นมิจฉาสมาธิไปแล้วทัน เนี่ยทั้งๆที่เป็นสมาธิที่ชอบเนี่ยความติดสมาธิมันเป็นความผิดเนี่ยก็เลยกลายเป็นมิจฉาแต่เนี่ยมิจฉาในะความชอบของสมาธินั่นแหละเจ้าของเป็นผู้ปฏิบติเคยเป็นมิจฉาโดยไม่รู้สึกตัวส่วนมิจฉาสมาธิที่ผิดในอีกแบบหนึ่งนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี้เราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเราหมายถึงสมาธิที่ชอบนี่แลหละจนทําคนให้ติดแล้วไม่อยากพิจารณาสนใจในทางด้านปัญญาเลยนั่นคือติดสมาธิ เมื่อการติดสมาธิเป็นความถูกต้องหรือเป็นความผิดที่เรียกว่ามิดฉาสมาธิประทาวพูดถึงเรื่องปัญญานี่มันกว้างขวางมากย่างผมพูดเท่าที่จำเป็นให้ท่านผู้ฟั ง, งทั้งหลายได้พิจารณาเช่นอย่างพิจารณาธาตฐานในที่ร่างกายนี่เป็นอจูภาะอจูพังอนิจกรรมตัวหน้าตาแล้วแต่ความถนัดของใจ ความบิดดืม่มของใจในอาการใดในไตรลกักษณ์ดหรือในอสุภะด่าอสุภามีหลายชนิดนี่อยู่ในร่างกายของเราแล้วรวมลงเป็นอสุภะอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันอาศัยพิจารณาส่วนใดเสียก่อนเป็นอสุภะเป็นต้นเหตุแล้วมันถึงลูกหลานเข้าไปอสุภะซึ่งเป็นส่วนรวมเราก็พิจารณาไปว่าะากนั้นก็แยกแยกแตกสลายทําลายลงไป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 ทั้มุเราเราจะจับจะดึงจะลากด้วยแขนแขนขาดมือขาดอุปทานก็ยังยังไม่ขาดจากความยือมั่นถือมั่นแต่ถ้าปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปฟันลงไปแล้วขาดทังทลายไปเลยเมือรู้แจง้งเห็นชัดเมื่ อ, อไรแล้วเป็นไม่อยู่อุปทานหังลงไปลรูกปกายหมดความหมายแล้วหมดพาณนะหน้าถีที่จะจองพิจนารณาแล้ว จิตก็รู้เองพอเหมือนกับเรารับทานหรือเราฉันอาหารข่าวจะเป็นอาหารขาวชนิดใดหรือว่ารวมว่าเป็นอาหารข่าวพอแล้วเมื่อพอแล้วจิตก็ไม่ถ้าฉันไม่รับแล้วหยุดทีนี้มันสัมผัสอะไรสัมผัสหวานเอาหวานมารับที่เมื่อรับหวานแล้วพอแล้วมันก็ปล่อยอ น, นี่เมื่อพิจารณารูปประธรรมหรือร่างกายพอแล้วด้วยปัญญาจิตใจก็ถอนตัวออกมาพอแล้วกับการพิจารณา จานั้นก็กล้าไปสู่นามธรรมาคือเวทนาสัญญาทั้งขานวิญ ญ, ญาณจะเป็นขันใดก็ตามในนา ม, มาขันขันทั้งสีมีความสัมปัตสัมพันธ์มีความดูดดื่ในขันใดตามขันนั้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะกระจารวมหมดทั้งทั้งสี่ขันรวมรวมยอดแล้วก็หมดปล่อยวางไปเหมือนกันจนกระทั่งเข้าถึงปิดตัวเป็นอวิชชาแท้เป็นรังแห่งวัฏตะบน วิชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัญญาวิญญาณนั้จนกระทั่งถึงสมุรโยโห์เต ม, มันไปจากไหนไปจากนี้โค้นลงไปที่นี้เป็นปัจจัยการมาทีนี้พอเข้าถึงนั่นแล้วมันเป็นปัจจัยการเนี่ยคือความสืบต่อกันโดยลำดับอันมันไปจากตัวนี้ทีนี้ตัดสะพานไปหมดแล้วเนือ้อแตงแต่ความรู้กับจิตแลความความรู้กับอวิชาที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งอันเดียว นี่เป็นมากที่ของปัญญาขั้นละเอียดที่จะสอดแทรกลงไปพิจารณาลงไปโดยทางไตรลักษณ์เหมือนกันไตรลักษณ์ส่วนหยารู้ประขันก็มีไตรลักษณ์อนิีจังตัวขังนันตาเวทนาสัญญาณสังขารมีญาณก็ก็มีก็มีไตรลักษณ์อันนีจังตัขังหน้าตาตัวจิตกับวิชาก็มีไตรลักษณ์อันนีจังตัขังหน้าตาเหมือนกันนะแต่เป็นไตรลักษณ์ขั้นละเอียดลงไปตามขั้นตามภูมิของกิเลสของธรรมมาพิจารณาลงไปถึง จุดอันสำคัญแล้วด้วยปัญญายิเรศที่ว่าเป็นสิ่งละเอียดสุดยอดก็ถ้าแก้วิชาก็สลายตัวไปด้วยอานาจของปัญญาที่ละเอียดแหลมคมให้จังทุกขังตา สมบูร์ในจุดนั้นวิเศษก็พังอวิชชาจะตะเววะเสสะมีล า, า, า, านิโรธาสังาาาส้งข้ารานิโรโทสั้งข้ารานิโรธาวิญญาณาเนโรโธนั่นคืนุ่นเอวเมตตาจ่าเกววัลสัจดูขั้นทัจจะนิโรโทโหติเมื่ออวิชชาดับดับดับดับดับดับไปหเหมือนกับว่าเมื่อถอนห ล, กลกนกนักแก้วขึ้นมาแล้วกิ่งก็ดับเใบก็ดับรากแก้วรากฟอยดับไปหมดยังพูดยังไงว่าอย่างนั้นฮะ ไม้ตัวนั้นเขาลากถอนลากแก้วพรวดขึ้นมาเท่านั้นแหละกิ่งก็ดับเอกิ่งก็ตายใบก็ตายดอกก็ตายผลก็ตายกะพี้แก่นอะไรตายตายตายตตายไปด้วยกันหมดทั้งต้นตายหมดไม่มีเหลือหนักเราพูดเรื่องอวิชชารวมยอดเป็นแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันพออันนี้ดับเท่านั้นอวิชชาตะเวะทันทีดับ แล้วจะพิจารณาอะไรอีกที่นี่นี่ภาคปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็หมดความสามารถอเราพูดตามมิสัยของเราเราหมดความสามารถแล้วไม่มีทางพิจารณาแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาอะไรต่อไปอีกอขอให้มันมาขอให้รู้เถอะคาว่าสันติโกก็ปบปัจจัยมิตรบูมโยหีนี่จะไม่มีปัญหาอะไรกับผู้ปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า อย่างแท้จริงยังไม่พ้นจากธรรมอันนี้จะรู้จนได้โอ้โหที่เจนิพพานไปเวลานานเท่าไหร่อะไร ไ, ไม่สําคัญนั่นเป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลามันสําคัญอยู่ที่สัจธรทรมพิจารณาให้รอบสัจธรรมสัจธรรมอยู่ในสถานที่ใดนั่นแหละมัชฌิมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยสัจธรรมคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมากมากไม่ไม่ใช่มัชฌิมาจะเป็นอะไรก็อ ย, อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนี่นั่นแหละ เป็นบุญเจดอกสําคัญหรือเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดก็คือมรรคจุมารปฏิปทาปราบทุกสมุทัยให้เรียบวุฒิยนิโรธความดับทุกข์เป็นผลมาจากมรรคทาลายทกิเหลสลงไปมันเป็นสาอยุ่การณ์ทุกๆมันก็ดับไปเองดับไปเองดับไปทีละเล็กทีลน้อยดับไปคำว่านิโรธไม่ใช่ว่าจะดับเพิ่เดียวนะค่อยดับไปโดยดับตามกําลังของมรรคที่ฆ่ากิเลสไปได้โดยลําดับับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกิเลส ปัญญาถอนอวิชชาพรวดขึ้นมาทีเดียวแล้วก็นิโรธก็ทําหน้าที่เต็มดับทุกพรวดพร้อมกันเลยท่านถ้ากิริยาว่านี่คือนิโรธความดับทุกแล้วเวลาดับทุกถ้าไปไหนที่นี่กิริย า, ยาการดับทุกดับแล้วก็หายไปท่านั้นเองทุกดับแล้วก็คําว่านิโรธก็หายไปสิ่งที่ไม่หายคืออะไรผู้ที่รู้ว่าทุกดับไปสมุทัยดับไป นิโรธทาหน้าที่ดับทุกไปมรรคคือผู้แก้กิเลสตัญหาชาวะละเอีปัญญาเป็นต้อนนี่เรียกว่าสัจธรรมและสิ่งที่นอกจากสัจธรรมคืออะไรผู้ที่รู้ว่านิทุกสมุทัยนิโรธเหล่านี้ดับไปทำงานกันเต็มผูมมแล้วดับไปปัญญาก็ดับไปเหมือนกัน พ่อปัญญาเป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายแก้ส ม, มุทรไทยกับทุกก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดนิโรธกับมักเป็นก็จะทำฝ่ายแก้ก็เป็นสมมุติเหมือนกันเมื่อหมดหน้าที่ทุกส ม, มุทรไทยดับไปแล้วอันนี้ก็ปล่อยเหมือนเครื่องมือเหมือนสัตรา์อาวุธเมื่อฆ่าศึกรากหมดแล้วอาวุธก็ปล่อย เพราะเป็นสมมุติด้วยกันแล้วที่นอกจากสมมุตินั้นคืออาไรที่นี่หรือเราวันนี้พานอยู่ที่ขจจทัณฑ์ทั้งสีนี่หรือขจจทัณฑ์ทั้งสีนี้เป็นบันไดเป็นทางเดินี่เมื่อก้าวออกจากนี้พ่านออกจากขจจทัณฑ์ทั้งสีน่นี้ผู้ใดเป็นผู้ผ่าน <c oughs> นั่นผู้นั้นนี่คือผู้บริสุทธ ทุกกระดับไปสมุทัยดับไปนิโรธดับไปมรรคก็ดับไปปรรดาเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสมมุติดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งสี่นี้ดับไปคืออะไรเนี่คือผู้บริสุทธิ์เอาตรงนี้แล้วเราจะไปหาที่ไหนอีกหิาหามาคนนิพพานหาที่ไหนเอาให้เห็นจริงจังเลยธรรมของมุทิตาศาสนามุเจ้าไม่ใช่เป็นตุกตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกมนาะให้ทําความดีนะคอยไปเอาสวรรค์โน้นคอยไปนิพพานโน้นนะชาติหน้านุ่นนะ นี่พานอย่างตัวนี้อยากสนใจมันเลย<อ>มันไม่มีเลยอยู่ในหัวใจนั่นคือยิ่เดมมันหลอกเอาให้มันจริงจังจะพ้นไปไหนค่าฟังฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปาทาเป็นรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดการสถานที่<อ>คือทุกเวลาเวลากับยิเลมทุกประเภทปราบได้หมดเรื่องหน้าของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ทั้งนั้นที่ว่ายิเรมมันพานผลขนาดไหน อามัชชิมาอย่างผาดผนอาฟาดกันให้แหลกไปนั่นเครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือสําหรับปราบกิเดสกิเลสอย่างชนิดที่โหดน่าทารุณที่สุดก็เอาเครื่องมือชนิดที่มีกําลังกล้าสามารถที่สุดปราบกิเลสประเภทนั้นให้แหลกไปเรียกว่ามัชชิมาเหมาะสมกันกับกิเลสประเภทนี้นั่นแล้วโดยลําดับลําดับไปเมื่อกิเลสเข้าขั้นกลางเรื่องปัญญาเมื่อเป็นตัวเองที่จะเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทได้ เรื่อยันละเอียดปัญญาขันละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแรงหน้าฝนหน้าแรงหน้าฝนมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ปัญญาชนี้สติ ป, ปัญญาประเภทนี้ก็ไหลลินอยู่เหมือนกันแทรกกันไปแทรกกันมาพินมาสอดแทรกกันไปเข้าใจกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมัน ท, ทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเรื่อยเรียบบุตรคำว่ามหาสริมหาปัญญาก็หมดปัญหาที่จะพูดกันอี มันปล่ อ, อยโดยไว้ตามเป็นจริงทั้งนั้นเพราะเหล่านี้เป็นสมมติเนี่ยมหาสติมหาปัญญ า, าเป็นส ม, มุติเ ม, มื่อไหร่เป็นสมมติเป็นเครื่องมืออันทันสมัยที่จะฆ่าอาวิชาได้ก็คือมหามสติมหาปัญญานี่เมื่ออวิชาที่เป็นจอมวัตจักรมันสิ้นอำนาจวัฒนาท ท, ท, ททลายลงไปแล้วเครื่องมือประเภทที่ทันสมัยนี้เรียกว่าเเรียกว่าปร ะ, ประมานูหรือนิวเคลียร์ก็แล้วแต่ในสมัยทุกวนันนี้มันก็หมดปัญหากันไปเอง ปล่อยทุกอย่างทุกก็ปล่อยสมุไทยก็วางก็ปล่อยมีโรดก็ปล่อยมาร์กก็ปล่อยปล่อยโดยตลอดทั่วถึงกิดก็มายึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตนถึงจุดสุดท้ายแล้วเรียกว่าเสร็จงานไม่ต้องมาแก้กิเลสตัวใดอีกแล้วจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีกังวลที่จะแก้กิเลสและไม่เป็นกังวลกับเรื่องอดีตอ น, นาคต กับพบกับชาติมันจะเกิดในภพใดชาติใดสถานที่ใดนรกเปรตสุรกาสเดชานสวรรค์ชั้นถมที่ไหนไม่คิดหมดตัญหาปัจจุบันก็รู้เท่าเป็นความมือสุดอยู่อย่างแท้จริงนี่ผมต้องการท่านพบากเอาให้ริงให้จเอาแล้อเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญยาหลังนีวันะ